ทำมายามเช้าโลกนี้มันมีสมดุลของมันมันมีดุลยภาพของมันให้ลองทำตามโปรแกรมที่ให้ไว้อย่างซื่อๆโปรเตมโปรแกรมบ้านๆโปรแกรมทิ่คืออโนเนตสามวิธีที่ให้ไปในเฟ e b o o k ทำไปแบบไม่คิดอะไรมาก ก็จะเกิดภาวะอย่างที่นิ้งกับไหมเมื่อคืนพบมันจะมาตอนไหนไม่รู้แต่ภาวะนั้นไม่ได้คิดและเป็นภาวะที่กระเทือนจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกคนนะถ้าคนพบว่าโลกมันมีสมดุลคนและพบ ที่จะไม่ยอมและรับไม่มีไม่มีอะไรมันจะยอมและรับเป็นอัตโนมัติไปผมนี่งานสบายเนะี่ยถ้าไม่เอามีอยากเป็นสัตว์าจารย์ไม่อยากไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคณะบดีที่การบดีงานผมสบายมากอยู่ในขอบเขตที่ผมแฮนเดิลได้อย่างสบายสบาย แต่โลกนี้ไม่ได้มีด้านแห่งความสบายด้านเดียวลูกชายผมก็ป่วยภรรยาก็มีงานมากที่ต้องให้ช่วยครอบครัวภรรยาก็มีงานมากที่ต้องให้ช่วยเราต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงวุ่นวายกับการรักษาลูกงานสบายแต่ครอบครัววุ่นวาย เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวออกโรงพยาบาลเนี่คุณเห็นสมดุลของผมไหมคุณเห็นดุยภาพของชีวิตผมไหมไม่มีอะไรที่มันสวิงอยู่ด้านเดียวโลกจึงมีโลกธรรมมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีสันเริญมีนินทา มีได้ลาบเสริมลาบมียศเสริญยศใครก็ตามที่หลงอยู่ในด้านด้านเดียวไม่มีสติไม่เห็นดุนญภาพนี่ก็จะยึดติดกับมายาด้านเดียวต้องให้เขายกย่องตัวนั้นหรือยึดติดกับมายาด้านเดียวว่าเขามาทำเราให้เราเป็นทุกข์เขาเหยียดหยามเราเขาเลวกับเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรา พอตัวเองยึดติดกับมายาด้านใดด้านหนึ่งก็ปล่อยให้ตัวเองดีใจหรือเสียใจไปกับมายาพอปล่อยให้ตัวเองดีใจหรือเสียใจไปกับมายาก็สูญเสียอำนาจในตัวเองไปพอสูญเสียอำนาจในตัวเองตัวเองก็หลุดลอยออกจากสินสิทธิ์ที่ทํางานผ่านตัวเองหลุดออกจากพุท ธ, ธะในตัวเองมองเข้าไปในตัวเองก็เห็นแค่เด็กน้อยที่เจ็บปวดไม่ได้มองเห็นเด็กน้อยบริสุทธิ์เหมือนที่หนิงเห็น เพราะตัวเองไม่เห็นดุนยาภาพของสรรพสิ่งแต่พอเห็นดุนยาภาพของสรรพสิ่งแล้วอย่างที่หมายเห็นโอ้อยากขอบคุณเขาเขาที่เลวกับเราก็ายังมีความประเสริฐเห็นความไม่ดีของตัวเองได้ทั้งที่ตัวเองเคยคืิดว่าฉันเนจ๋งที่สุด เมื่อเห็นก็เกิดการยอมรับอย่างที่หม่ใช้คาว่าสยบมันไม่ได้ยอมรับคนไม่ได้ยอมรับแม้กระทั่งตัวเองมันยอมรับธรรมชาติยอมรับธรรมชาติที่มีดุญยภาพของมันพอยอมรับธรรมชาติก็ไม่ทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ ลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เป็นตถ ต, ตาคือเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยล้วจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะคนที่ทุกข์คือคนที่ฝืนธรรมชาติยอมไม่ได้กับธรรมชาติโง่และไม่เห็นตัวกฎแห่งธรรมชาติจะเห็นได้อย่างไรมาได้เห็นได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายที่สร้างขึ้นมาให้คํานวณตามจิตส่วนใหญ่ของคนที่นี่บุญบารมีของคนในห้องนี้ว่าประมาณนี้ละส่วนใครที่มาด้วยบุญบารมีที่สูงกว่าจะไปเข้าช่องทางอื่นก็ได้นะครับแต่อย่าอินบ็อกมาคุยเลยเพราะเคยบอกแล้วว่าผมอธิษฐานเอาคนมาสอนนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ต่ํากว่าผมทั้งหมดผมสอนได้ ผมไม่ได้อธิษฐานเอาคนมาให้ผมมาเรียนรู้ด้วยนะนั้นใครที่อยากให้ให้ผมชมนั้นนะไม่ได้ชมจากผมหรอกไม่ได้ชมมันไม่ใช่เรื่องมาต้องชมกันมันเป็นเรื่องที่คุณมาทำเพื่อคุณหลุดออกจากความทุกข์อัตตาตัวตนที่คุณไม่รู้มันเป็นอัตตาประเภทหนึ่งนะติดดีนะั้นเข้าใจว่าตัวเองดี หลุดออกจากโลกแห่งความคิดและการท่องจำมันต้องมาถามบาลงบาลีไม่ต้องมาถามให้อำนาจแจากแบ่งอะไรไม่ต้องถามให้เป็นอย่างนี้ไหมกับหนิงได้เป็นให้เห็นเองเอกราบเท่าที่ยังเห็นด้านสว่างในความร้ายไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่จะขอบคุณอย่างที่หม่ขอบคุณได้เมื่อคืนในการคุยกันในไลฟ์กลุ่มเดือดเมื่อคืนนะครับคุยกันสนุกมากกับสองชั่วโมงเลยก็จะไม่ได้สัมผัสคุณค่าที่เรียกว่าซาบซึ้งและลึกซึง้งคือมันไม่ซึง้งมันซึ้งได้ยังไงมันไม่เห็นตัวธรรมชาติมันคิดเอาไม่ซึง้ง ไม่จะเห็นได้ยังไงไม่ต้องไปอยากเห็นไม่ต้องไปพยายามเห็นให้พยายามเห็นความดีคนอื่นได้ให้พยายามเห็นความไม่ดีของตัวเองได้แต่ไม่ต้องไปพยายามเห็นธรรมชาติมีหน้าที่รู้ซื่ อ, อและมีหน้าที่เติมน้ําดีเข้าไปในใจใมาเกเข้ามาเกเข้ามาเกเข้าและตั้งอธิษฐานไว้ว่าขอพบธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาก็าจะเข้าใจเพราะหมายเองก็ใช้เวลาอยู่กับอาจารย์เป็นปี แม้จะผ่านหลักสูตรมากมายที่หมายเรียนกับอาจารย์มาหม้เองก็เพิ่งมาเข้าใจวันนี้เข้าไปในใจแค่นั้นเองไม่ได้เข้าไปในหัวดว้มันเป็นเรื่องของความพอเป็นเรื่องของความไม่พอแค่นั้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มสะสมสัมมาทิฏฐิหรือความรำดิดถูกต้องเราสะสมแค่ความจำเราสะสมแค่ปริยัดความจาเราจะไม่เจอสิ่งที่หมายเจอ เาจะไม่เจอสิ่งที่หนิงเจอฉะนั้นคนที่รู้น้อยคนที่ไม่จําเลยแล้วทําตามที่อาจารย์วางให้ในวงเล็บตามที่พุท ธ, ธะตามที่ศาสดาผู้รู้แห่งสันติสุขทั้งปวงวางให้ไม่ใช่ผมผมเป็นเพียงแค่ทางผ่านเปรียบเรียงมาให้กินคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะละั่นแหะจะเข้าถึงสภาวะได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามปลดตัวเองออกจากความคิด นะจะดุลยภาพของธรรมชาติเมื่อไรก็จะสยบยอมเกิดความคารพเกิดความเห็นความโง่อของตัวเองที่ชัดเจนเกิดปรากฏการซทราบและซึง้งแล้วก็เป็นอย่างที่ไหมเป็นเป็นอย่างที่นิ่งเป็นเข้าทางรักก็ได้เข้าทางทราบซึ้งขอบคุณก็ได้ ไม่ต้องถามนะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจกันแล้วนะ